ธศพ ล, ลยานยานที่สิบอาสวะขยายานปรีชารู้จักทรรมอาสวะให้หมดสิ้นไปยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งในเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องไตรลักษณ์และธรรมะอื่นอื่นอีกจนสามารถทำให้อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในสันดานหมดสิ้นไปดังที่พระองค์ได้ตรัสไว ในมหาสีหนาฏสูรตรว่าดูก่อนสาวรีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตรกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนสาวรีบุตรข้อที่ตถาคตรกระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญาณฐานะของผู้เป็นโจกบรรลือศีหน้าในบริษัทยังพรหมจักให้เป็นไปคำว่ากระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์หมายความว่าพระองค์ได้สาเร็จฌานขั้นสูงสุดคือได้สมบัติทั้ง8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 แต่ในสันดานคือในจิตไร้สำนึกกิเลสยังคงมีอยู่ถ้าออกจากสมาธิเมื่อไรถ้าไม่คอยควบคุมระวังเอาไว้ให้ดีเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่แมยั่วกิเลสกิเลสก็จะเกิดขึ้นมาอีกเหมือนตะกรอนนอนก้นขวดน้ำในขวดข้างบนใสแต่ข้างล่างยังขุนอยู่ถ้ามีอะไรมาทำให้น้ำกระเพื่อม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 ก็จะทำให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงได้ง่ายและในเมื่อเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงถึงที่สุดแล้วกิเลสในสันดานซึ่งเปรียบเหมือนกับตะกรอนนอนก้นขวดนั้นก็จะถูกกำจัดหมดสิ้นไปไม่มีเหลือเหมือนอย่างที่ในบทสวดมนต์เรื่องพุทธคุณที่เราสวดกันว่าองค์ใดพระสามพุทธสุวิสุทธสันดานซึ่งหมายความว่าพระองค์มีสันดานบริสุทธ ทั้งนี้ก็เพราะอาสวะสามอย่างกล่าวคือการมาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะหมดสิ้นไปคําว่าการมาสวะก็ได้แก่การมตัิหาภวาสวะก็ได้แก่ภวะตันหาอาวิชชาสวะก็คืออวิชชาแปด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 ทะละได้อย่างเด็ดขาดเรียกว่าสมุดเฉทวิมุตตหรือสมุดเฉทวิมุตตซึ่งการละในขั้นนี้หมายถึงละด้วยอริยมรรคและคำว่าอาริยมรรคในที่นี้ก็หมายถึงมรรคมีองค์8ดที่สมบูรณ์หมดทุกข้อแล้วรวมกำลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทาการประหารกิเลสในสันดานได้หมดสิ้น